หลวงพ่อได้ยินโคศกพูดเมื่อกี้นี้ ว, ว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหม่เอี่ยมพึงมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมเป็นครั้งที่ห้าแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ตามการสั่งสมคุณงามความดีเรียกว่าการทําคุณงามความดีเนี่ยริเริ่มเมื่อไร่ ทำเมื่อไหร่ก็เป็นคุณงามความดีเมื่อนั้นเพราะนั้นคณะสัตายาติโยามลูกหลานที่ได้เริ่มโครงการนี้หลวงพ่อเองก็เห็นด้วยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการธรรมะหรือว่าโครงการจิตวิญญาณถ้าว่าพวกคณะสัตายาติโยมลูกหลานมีแต่การสสแสวงหาทรัพย์ ภายนอกอย่างเดียวมีแต่การหาปัจจัยสคือข้าวน้ําโภชนาอาหารหาเงินหาทองเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงชีวิตอย่างเดียวสําหรับแนวความคิดของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์สาวกท่านว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าการหาเลี้ยงชีพหรือหาเลี้ยงชีวิตนั้นถึงจะเลี้ยง ดีขนาดไหนอาหารการบริโภคดีขนาดไหนยุกยาดีขนาดไหนความสุขขนาดไหนที่ดูแลร่างกายของตอนเองร่างกายนี่ก็จะต้องแก่เจ็บและก็ตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกลีก่หนีพ้นไปได้อันนี้คือร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นต้องมีวิธีการต้องศึกษา เพรนั้นพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าพระพุทธองค์คิดไกลคิดไกลกว่าพวกเราคิดไกลกถึงกระทั่งว่าจะทํำยังไงถ้าตายไปแล้วจะไปที่ไหนตายแล้วสูงแล้วตายแล้วเกิดพระพุทธเจ้าคิดไกลถึงขนาดท่านที่ท่านให้ออกบวชที่ท่านออกบาเพ็ญวันนั้นเรื่องศีลธรรมเป็นเครื่องชี้นาของจิตวิญญาณพูดอย่างนั้นได้ ศิลธรรมเป็นเครื่องชี้นาจิตวิญญาณแต่สําหรับปัจจัยสี่นี้สําหรับดูแลบํารุงร่างกายของพวกเราให้อยู่ได้ชักช่วระยะหนึ่งทําไมจึงว่าชั่วระยะหนึ่งพราชั่วระยะหนึ่งไม่ถึงร0อยปนะีอย่างมากก็ร้อยกว่าปีถึงถึงร0อปีแล้วก็หมดสภาพแล้วเหมือนกับรถนะั่นถ้าใช้ไปนานสิกว่าปีแล้วก็ค่อยล้อยลอลงไปเรื่อยๆนี้ก็เหมือนกัน มนุษย์ของเราเนี่ก็ถ้า 80-90 ก้าปีก็จะให้แข็งแรงเหมือนกับ 20-30 ปีคงเป็นไปไม่ได้ร่างกายของมนุษยชาติไม่รู้ว่าชาติชั้นวรรณะไหนก็เป็นลักษณะอย่างนั้นพวกเราก็คงเดินตามแถวแนวนั้นเหมือนกันเพราะนั้นการที่ทำการทำงานดูแลบำรุงรักษาร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ควรจะอบรมทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะถ้าเราศึกษาให้ถ่องแท้แล้วจิตวิญญาณนะก็คือหลักของพุทธศาสนาท่านสอนเรื่องศีลธรรมเข้าสู่ชุมชนนะอันดับแรกท่านว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติจะเป็นในระดับไหนก็ตามถ้ า, าว่าพวกเราต้องการความสงบร้มเย็นเป็นสุขพวกเราต้องหลวงพระพุองค์พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทาน แต่พวกเรามาคิดอีกในมุมกลับหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทานนั้นพระพุทธเจ้าทำไมจึงสอนให้เสียสละในการทำบุญทาทานถ้าว่าพราะเราหาทรัพย์สมบัติก็แย่อยู่แล้วได้มาด้วยความยากลาบากทำไมจึงให้คนอื่นไปแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้คิดอย่างเราถ้าคิดอย่างเราก็คงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมนกันลท่านคิดอีกแบบหนึ่งว่ามนุษย์ ที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่อนเย็นเป็นสุขนั้นมนุษย์ต้องเสียสละการอยู่ด้วยกันต้องมีทานะคือการเสียสละการทานนมีหลายหลหลายๆอย่างอยากให้ทําเป็นทานการแนะแนวแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำเทศนาว่าการอย่างหลวงพ่อเนี่ยได้รับคําแนะนําจากครูบาอาจารย์ท่านให้ทําเป็นทาน วิทยาทานก็คือการแนะ น, นําแนวทางดําเนินชีวิตอย่างครูบาอาจารย์แนะนําหรือสอนลูกศิษย์เนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งจากนั้นก็ในการเสียสละอภัยทานก็มีแล้วก็ทําบุญทําทานด้วยข้าวน้ําโภชนะอาหารอันนี้ก็มีอันนี้ว่าจัดว่าเป็นทานะคือการทานคือการเสียสละทางนั้นเพราะฉนั้ น, นเมื่อเราเป็นครวญ ในหลักของพุทธศาสนาเรืวว่างครวัตธรรมนะธรรมของครวาตมีอะไรบา้างการที่จะอยู่ด้วยกันที่จะให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขหนึ่งสัจจะการอยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะทําอะไรพูดอะไรออกไปให้รักษาสัจจะเอาไวา้อย่าให้สัจจะของตนเองล้มเหลวไปพูดแล้วก็ โกหกตอแหลเป็นวันๆเดือนๆปีๆไปจะหาความเชื่อถือไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่มีสัจจะต่อกันเนี่ยคือพูดอะไรรับคําเขาแล้วต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องบอกว่าปฏิบัติไม่ได้เพราะเหตุไรอันนี้สัจจะธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนการข่มจิตของตนนั้นคนเราจะมีจิตใจเ ย, ยือกเย็นดีตลอดก็คงจะเป็นไปไม่ได้บางครั้ง เราคิ น, นึกโมโหโทโสขึ้นมาในจิตในใจเมื่อเขาพูดหรือเขาแสดงอากัปริยากับเราแต่เราจะไปโป้งป้างพูดออกไปโดยที่ไม่ได้คิดกันกองไตรตองด้วยเหตุผลก่อนบางทีอธิพิทพลาดได้ง่ายเพราะฉนั้นเราต้องข่มมาไว้ก่อนธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนเอมันเรื่องนี้มันเป็นยังไงทําไมยังเป็นอย่างนี้ให้ข้าบอกข่มใจของตนเองเอาไว้ อย่าให้มันหลุดออกไปถ้ามันหลุดออกไปโดยที่ไม่ได้กันกรองซะก่อนอาจจะเสียหายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องคิดให้ตนักเมื่อได้ยินเสียงทางไหนมาต้องฟังแล้วก็ให้ข่มจิตขม่ขมใจเอาไว้ก่อนธรรมะให้รู้จักขม่มใจของตนเองถ้าบางทีมันโมโหโทโซโกรธาอะไรขึ้นมาก็ต้องข่มไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนอย่าให้มัน ลดออกไปขันติให้มีความอดทนการทำงานต้องมีขันตินําหน้าทนต่อร้อนทนต่ อ, อหนาวทนต่อแดดต่อฝนทนต่อผู้ด้อยกว่าทนต่อผู้ใหญ่กว่าผู้ด้อยกว่าที่เขาดูถูกเกียจยำเราเราก็ต้องทนเมื่อผู้ใหญ่เข้ามาเราก็ต้องทนอันนี้คือความอดทนคานี้ถ้าว่ามีใครมีความอดทนสูงคนนั้นก็ จะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าความผู้ใดก็ตามมีความอดทนน้อยผู้นั้นก็จะนะมีอารมณ์หาเพื่อนฝูงได้ยากนะนิดนิดนหนะ่อยๆน่อยก็โป่งปัง้งพูดออกไปโดยไม่มีขันติคือความอดทนยับยั้งเอาไวนะ้สิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจาา่านฆะ่านะคือสละสิ่งของของตนให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ควรให้ปัน อย่างจาขะที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้จาคะให้มีการทานทานมีกีบอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไปแล้วคือได้ร้ายอย่างคือการเสียสละคือการให้อภัยทานคือวิทยาทานธรรมทานข้าวน้าโภชนาะอาหารจะตก ป, ปัจจัยสงเคราะห์ชุมชนสังคมประเทศชาติถ้าว่าพวกเราไม่มีทานะไม่มีการเสียสละ หมูหมากาไก่พวกแมวพวกหมาก็อยู่กับเราไม่ได้ไม่ว่าแต่คนแต่ถ้าว่าพวกเรามีการเสียสละแล้วพวกสัตว์เหล่านั้นลูกเต้าเล้าล้านญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ได้เราจะรู้จักแบ่งปันเมื่อได้สิ่งของมาเราก็รู้จักแบ่งรู้จักเสียสละในชุมชนและสังคมและกลุ่มนั้นๆความผู้ที่มาอยู่ใกล้ก็ได้รับความสมบพรมเย็นผาสุขเพราะเข้ามาเหมือนกับ เราเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างนั้น่ะ่คนต้นไม้ใหญ่มีใบดกหนาสัตวาลาสิงตัวเล็กตัวใหญ่ก็เข้ามาพึ่งพาและก็กินดอกกินผลของมันอันนี้คือคนมีทานคือคนเสียสละแต่คนไม่มีทานแล้วเหมือนกับต้นไม้แห้งตายยกลางสนามอย่างนั้นะ่ะพวกสัตว์สารสิงจะไปพึ่งพาอาศัยได้ยังไงเพ้อเก้อริงไม้แห้งจะหล่นใส่หัวอีกต่างหาก สัตว์มันก็ไม่อยู่คนก็ไม่อยู่ใครก็เข้าไปอยู่ใกล้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยทานะคือการเสียสละนี่เป็นเครื่องคิดเงี่ยวจิตใจของเพื่อนมนุษยชาติเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานนะนะสรุปแล้วก็คือทำรรของครวัตที่หลวงพ่อได้กล่าวสัจจะเบื้องต้นขึ้นสัจจะคนนะถ้าคนไร้สัจจะคนไม่มีสัจจะคบไดย้ยากเป็นเพื่อนเป็นฝูงทํามาค้าขายด้วยไดย้ยากเพราะพูดอย่างหนึ่งวันหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง หาความสัตย์ความจริงไม่ได้คนไม่มีสัจจะสองคนไม่มีธรรมะไม่รู้จักข่มใจข้องตนเองมีอะไรนี้นิดหน่อยก็แสดงออกมาโยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ทาให้ลาบากใจข้อที่สามขันติคือความอดทนต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต่อริเย็นร้อนอ่อนแข็งหิวกระหายจำเป็นจะต้องได้อดทนทั้งหมด ด้วยวาะด้วยการกล่าวผู้อื่นที่มาพูดให้กับเราเนี่ยอันนี้ว่าขันติจาคะก็อในการเสียสละนี่แหละอันนี้คือทานคือการเป็นอยู่ร่วมกันที่จะให้สงบร่มเย็นเป็นจุกได้ต้องมีการเสียสละต่อกันถ้ามนุษย์ชาติไม่มีการเสียสละต่อกันแล้วจะอยู่ด้วกันลาบากถึงจะอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละ อยู่บแบบไม่มีเยื่อใหญยอยู่หาความสงบพรมเย็นเป็นทุกไม่ได้แต่พวกเรามีน้ำจิตน้ําใจต่อกันพวกเราจะสงบผาสุขข้อที่2องศีลคือรักษากายวิจาให้เรียบร้อยถึงเข้ามาอีกส่วนตัวแล้วจะเนี่ยรักษากายวิจาให้เรียบร้อยศีลคือศีลในหลักของพุทธศาสนาก็คือศีลห้านะศีล5ประการ คือถ้าจะว่าไปสินห้าประการนั่นนะคือกฎระเบียบวินัยกฎหมายถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดเพราะอันเดียวกันนะคือสินห้านะีค่คือกฎหมายคือกฎระเบียบกฎปกครองโลกระหว่างโลกกับบานทําคุ้มครองโลกก็ไม่น่าจะผิดทํำยังไงโลกจะมีความสุขได้ต้องมีโลกกระทำคุ้มครองโลกแต่ตามไม่จริงเท่าไหร่ิริกาโอตปะปาเนะี่ยทำคุ้มครองโลก แต่หลวพ่อนามาประยุกต์ว่าทำคุ้มของโลกอรองลงมาคือรักษากายวาจาของพวกเราเนี่แหละให้เรียบร้อยอถ้าจะว่าพูดเป็นภาษาให้ชัดเจนลงไปว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสหรือท่านบอกเอาไว้ว่ า, าสู่เจ้าทั้งหลายถ้าว่าสู่เจ้าต้องการความสงบพร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนในชุมชนในสังคมในประเทศชาติาในยุคสมัย สูเจ้าเกิดสูเจ้าต้องมีศีลห้าต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ถ้าจะพูดไปลักษณะอย่างนั้นล่ะศีลของพระพุทธเจ้านะถ้าสูเจ้าต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขสูเจ้าต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งสู่เจ้าจะคิดฆ่ากันถ้าสูเจ้าคิดฆ่ากันคนนี้จะคิดจะฆ่าคนนั้นคนนั้นก็คิดจะฆ่าคนนี้โลกทั้งหลายหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขหาความไว้วังใจกันไม่ได้ต่างคนก็ต่างระเวียงระวัง ไปที่ไหนก็มีแต่พกพาอาวุธไปเตรียมพร้อมกลัวเขาจะฆ่าเราจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ถ้าสูเจ้าฆ่ากันถ้าสูเจ้าไม่ฆ่ากันสูเจ้าจะมีความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไปที่ไหนก็ไม่ระแวงแคลงใจกันถ้าเขามาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียเราล่ะเราเสียใจัหมถ้าเราไปฆ่าเขาก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าฆ่ากันให้ให้ครบสิทธิ์ซึ่งกันและกัน ทางเคารพสิทธิึิกกันละกันแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุข ก, ก็จะเกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมของสูรเจ้านีข้อที่2องอธินาธานถ้าสูรเจ้าต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขสูรเจ้าอยากคิดขโมยกันนะถ้าคิดขโมยกันนั่นความระแวงแคลงใจกันในชุมชนของพวกเรากหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะพวกเราคิดขโมยกันบางทีก็คิดลักขโมยพ่อขโมยแม่ของเค้าไปเรียกข้าไทยปาง ขโมยลูกขโมยร้านเขาไปเรียกค่าไถ่บ้างขโมยสิ่งของของเขาต่างคนก็ต่างขโมยกันพวกเราคิดดูกันแล้วกันจะหาความสงบร้มเย็นเป็นจุขได้ไหมอันนี้พราะพระ大爷เจ้ามองเห็นแล้วว่าถ้าว่ากฎมีกฎมีเกณฑ์มนุษย์อยู่ด้วยกันมีกฎมีเกณฑ์อย่าคิดขโมยกันถ้าต่างคนต่างเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วพวกเราจะมีความสงบร่มเย็นเป็นจุขอันนี้คือศินข้อที่สอง สินข้อที่สามกาเมสุมิตชัยจาราเวรพันธสามีภรรยาลูกเต้าและลูกหลานของใครเขาขอรักสงวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาละ่ะเนี่ยเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นต่างค น, คนต่างมีให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันดีไหมนี่แหละก็ให้รู้จักใจเขารู้จักใจเราเพราะนั้นสินข้อที่สามพวกเราคิดดูก็แล้วกันว่า พระผู้ได้แก้วบัญญัติศินขึ้นมาเห้าประการเนี่ยมีคุณค่าใหม่มีคุณค่าสําหรับใครสําหรับเราเลิกเชิงแบบใครเป็นสําหรับทุกคนถ้าทุกคนเป็นผู้มีสินเนี่ยความสมบงบพรมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของพวกเราศล ข, ข้อสี่ 4, มุสาวาทาเว ร, รมณีมห้ามไม่ให้โกโหกการพูดโกหกต้มตุนหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงเราละ่ะโกหกเราละ่ะ เอาสิ่งของปลอมมาขายให้เราล่ะ อ, อ, อย่างนี้มันมีมากมายเรื่องโกหกหลอกลวงต้มตุนเนี่ยยิ่งโลกยุคสมัยทุกวันนี้โลกยุคไอทีเนี่ยมีมากมายที่จะต้มตุนหลอกลวงกันแต่ถ้าว่าเขามาต้มตุนหลอกลวงเราล่ะเราพอใจไหมถ้าเราไปทําให้แกเขาล่ะเขาจะพอใจไหมก็เหมือนกันเพราะนั้นจริยธรรมของพระพุทธเจ้าคือเขาเรา อย่าไปทำให้แก่เขาเขาะทําทำให้แก่เราเราจะทำให้แก่เขาให้ครบสิ่ซึ่งกันและกันนะี่อันนี้สินข้อที่4ข้อที่5สุราเมรยะมัชฌะประมาต ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติแล้วทาความชั่วในทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่นะี่สิลข้อที่1ก็ขาดได้ข้อที่2อทินาทานก็ขโมยได้เพราะคนขาดสติข้อที่3การเมสุวิชฉาจารก็ ละหลบละล้วงใครก็ได้เพราะดื่มชุราขาดสติแล้วข้อที่สี่ก็มุกษาโกกกใครก็ได้รับได้หมดทุกอย่างเพราะคนขาดสติเพราะฉะนั้นศินข้อที่หที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นี้เป็นสินที่มีคุณค่ามากสําหรับพวกกุบาสกุบาสิกาเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆท่านนะที่ได้ยินได้ฟังศีลธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าไปถือว่าเป็นของคึกของล้าสมัย เป็นของทันสมัยอยู่เสมอทั้งว่าพวกเราต้องการความสงบรลอเย็นเป็นสุขแต่ว่าเว้นเสียแต่าพวกเราไม่ต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็เอาสนุกสนานไปเรื่อยในบ้านเมืองก็เดือดร้อนปนวายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ว่าพวกเราต้องการความสงบรลมเย็นผาสุขละควรจะหันหน้าก็หากันนะครับรับสาศินถึงใครจะไม่มีศินก็ตามข้าไปเจ้าคนหนึ่งอย่างกลุ่มของพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ถึงใครจะไม่มีศินก็ตาม ที่นั่งอยู่ที่นี่นะเป็นผู้มีศิลงนะก็สงบพร่อมเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งต่อไปก็ขายายวงไปเรื่อยๆสอนลูกสอนหลานสอนวงสาคัญาติให้เป็นผู้มีศีลธรรมเนะ้อทางว่าพวกเราต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะทางว่าพวกเราพอได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้สํานึกไว้ในใจเออศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากอเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องรักษา คนเกิดในโลกนี้จะต้องรักษาเรื่องศีลธรรมคนเกิดในประเทศไทยทั้งหมดต้องรักษากฎหมายกฎหมายเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของพิพากษาอัยการเท่านั้นใช่ไหมหรือเป็นหน้าที่ของตำรวจเท่านั้นใช่ไหมรักษากฎหมายไม่ใช่พวกเราทุกคนก็ต้องรักษากฎหมายถ้าว่าพวกเราไม่เคารพกฎหมายไม่รักษากฎหมายคนในชาติกวุ่นวายทุกหัวแหล่งที่พวกมนุษย์อยู่ด้วยกัน วันนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าศีลเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลส่วนสมาธินั้นพวกเราเให้ทําสมาธิจะทํำยังไงสมาธิในหลักของพุทธศาสนาที่ครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าที่วางเอาไว้ฝันศีลสมาธิปัญญาสมาธิก็คื อ, คอทําใจให้แน่นทําใจให้มั่นคง ทำใจไม่ให้กระสับกระส่ายทําใจให้ตรงทําใจให้มีสมาธิสมาธินั้นครูบาอาจารย์ตามสำนักต่างๆมีหลายสำนักที่พูดขึ้นมาแต่ตามไม่จริงก็เป็นอย่างนั้นในหลักของพุทธศาสนาพราะพระพุทธเจ้าขบัญญัติจากนั้นกรรมฐานที่จะทําจิตให้สงบนั้นมีทั้งหมดสี่สิบอย่างอันนี้คือเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองตัวอย่างคือจะทําจิตให้สงบนะมีกรรมฐานสี่สิบ อย่างพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆาศีลาจาคาเทวตามนานะอาณาปณสติอุปสมานุสติอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คืออนุสติสิทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งจากนั้นก็กสินสิอีกรวมกันแล้วที่พระพุทธเจ้า ว, วางเป็นตัวอย่างไว้4ี่สิบอย่างที่จะทําจิตให้สงบได้นะถ้าจะเปรียบเทียบแล้วว่าหนูมีอยู่สี่บตัวที่พระพุทธเจ้า ว, วางเอาไว้ สีแดงสีดำ ส, ส, สีขาวสีไหนก็ได้ถ้าจับหนูให้อยู่จับหนูได้แปล ว, ว่าหนูตัวนั้นแมวตัวนั้นเก่งว่ากันน่อันนี้ก็เหมือนกันกรรมฐานไหนก็ได้ที่จะจับสติให้อยู่ได้นั่นละกรรมฐานนั่นแหละใช้ได้เนี่นวาวางกรรมฐานไว้สี่สิอย่างแต่ในหลักของพุทธะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้รมในวันเดือนหกเพ็งวันนั้นพระพุทธเจ้า ท่านได้กําหนดอะไรเนี่ยอันนี้เราต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักได้เลยพระพุทธเจ้าท่านได้สําเร็จแล้วสูตรสําเร็จแล้วท่านได้ตรัสรู้ธทำแล้วแปลว่าของจริงแล้วที่พระพุทธเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติในวันเดือน6กเพนั้นท่านทํำยังไงพระพุทธเจ้านั่งกัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละกรรมาฐานพระพุทธเจ้า เพราะท่านศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกท่านนะทุกคนนะเวลานั่งภาวนาคื อ, คอขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงแล้วจากนั้นก็บริกรรมพุทโธพุทโธแต่พระพุทธเจ้าท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่พ่อแม่ปูบายอาจารย์สายหลงปู่มั่นของเราท่านบอกว่า กำหนดเฉยๆมันยังมันยังอ่อนอยู่มันยังห่างอยู่มันไม่มีหลักยึดเพียงแต่เพ่งกําหนดอยู่เฉยๆมันหลุดลอยได้ง่ายเพราะฉะนั้นควรจะบริกรรมกรรมฐานสำทับเข้าอีกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนี่แหละให้กําหนดอย่างนี้ที่จะทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราสงบเป็นหนึ่งเป็นพื้นฐานแล้ว เราจะพิจารณาทางวิปัสสนาหรือเดินปัญญาออกไปก็ เ, เป็นขั้นตอนต่อไปแต่อันดับแรกต้องเรื่องสติสติสัมปชัญญะในหลักของพุทธศาสนานสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี่แหละเป็นเบื้องบาตเป็นเบื้องต้นในการที่จะเป็นดอกกุญแจเปิดไปสู่มรรคผลนิพพานถ้ามรรคนสติขาดสติเลื่อนลอยสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว จะพิจารณาทำจุดไหนอย่างไรเป็นไปได้ยากเพราะเหตุใดเพราะว่าสติสัมปชัญญะมันเลื่อนลอยจิตไม่เป็นสมาธิเพราะนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องสติก่อนสติเป็นเบื้องต้นสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเพราะนั้นพวกเราทุกท่กทานนะตัวธรรมที่มีอุปกระมากสองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ ทมที่มีอุปการะมากน่สองอย่างสติคือความระลึกได้สัมปัชญะคือความรู้ตัว น, นี่แหละอันนี้คือเบื้องตน้นจากนั้นเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วจิตเป็นหนึ่งแล้วเราก็พิจารณาทางด้านปัญญาต่อไปแต่ในวันคืนเดือนหกเพนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมนั้นพอจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งจิตนิ่งเป็นหนึ่ง จากนั้นก่อนเกิดฌานเกิดยานัทสนะเพราะพุทธองค์เป็นพุทธเนยท่านเป็นผู้กว้างขวางในเรื่องต่างๆสยามภูรู้แจ้งโลกพระพุทธองค์ก็ท่านก็ได้ไปตามแนวแถวของพุทธเมื่อจิตสงบแล้วพระพุทธองค์ก็น้อมจิตสงบนั้นเอเมื่อถอนออกมาน้อมจิตสงบดูอดีตชาติดูอดีตชาติว่ะ ด, ด, ดูเมื่อวานเนี่เหมือนกันเลออย่างเราอยู่วันนี้เมื่อวานเป็นไง วันก่อนเป็นยังไงอาทิตย์ก่อนเป็นยังไงเดือนก่อนเป็นยังไงปีก่อนเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนการพูดองค์บอกปุเพนวาสานสจติยานระลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วเป็นอะไรชาติก่อนเป็นยังไงชาติก่อนก่อนเป็นยังไงพระพุทองค์มีเครื่องมือแล้วสินี่ยพอจิตสงบเข้าไปเกิดญานัตนะมีเครื่องมือระลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้มั่นใจว่าตายแล้วไม่สูญ ถ้าหากว่าตายแล้วศูนนะตายแล้วไม่เกิดอีกหลักของพุทธศาสนาหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบกพร่องแน่นอนเลยเ อ, อบอกพร่องออสอนไปไม่ได้วังนั้นแต่พูดได้อย่างนั้นสอนไปไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะพระพุาาทธเจ้าตัดสัตวธรรมตัดธรสามอย่างได้บรรลุธรรมสามอย่างได้มีวิชาสามอย่างในรรวันเกิอนหกเพนนั้นคือปุเพนวาสานุสติยานละลึกชาติผลหลังได้จุตูปปาตยาน รูปจำ ก, การติของสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างดวงวิญญาณเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่เนี่ยจากที่ไหนมาเกิดเราออกจากชาตินี้จะไปที่ไหนพระพุทธเจ้าก็รู้อีกดวงวิญญาณแต่ละแต่ละดวงวิญญาณอันนี้ว่าจุตูปะ ป, ะปะะาแตยะการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายพอจวนสว่างพระพุทธองค์ก็ได้ตัดสรู้ธรรมอาสาวะคยายญาณญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ชำระกิเลส ด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาชำละใจของพระองค์ให้หมดจดจากกิเลสราคะาโทสะโมหะกระเด็นออกจากจิตใจจิตจากพระไทยของพระองค์เป็นสยหมภูรู้แจงโลกแล้วท่านกน็ดูที่ว่าวิญญาณนี่มาจากไหนใจตรงนี้มาจากไหนที่มาที่มาวกวนเวียนเวียนไหวาตายเกิดในวัฏฏะสงสารที่มีมีสิน้นที่สิสุดนี่มาจากไหนเพราะพโองค์บอกว่า มาจากตัวอวิชชาย่อว่าเป็นปัจจิยาการอาวิชชาปัจจิยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจิยาวิญญาณนะท่านเขไล่ไปนะจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทมณ ส, สุปายาตนะนการร้องให้พิไรรำพันทั้งหลายมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งหมดนี้การที่จะฝึกสมาธินั้นทำอย่างไรอันดับแรกหลวงพ่อจะขอแนะนําวิธีการทำสมาธิ แต่พวกเราท่านทั้งหลายคงจะหลายสำนักนะเคยปฏิบัติมาแต่ถึงยังไงก็เจอเนี่ยพิธีหลวงพ่อนี่ก็คือพิธีนึ่งไม่ใช่ว่าหลวงพอ่อดีที่สดหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่ายอย่างนั้นอีกเหมือนกันทดลองหนสิพิธีการของหลวงพ่อเนี่ยเป็นยังไงสมมุติว่าเราไหว้พร ะ, ะก่อนที่เราจะทําไหว้พระสวดมนต์เราก็ปิดวิดทยุโทรทัศน์อะไรให้เงียบขนาดโทรศัพท์เราก็ควรจะปิดไว้อีกเหมือนกันนะ พอเราทําคุณงามความดีจักชั่วระยะหนึ่งเพียงชั่วโมงเดียวเนี่ย เ, เราจะดับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลย อ, อันนี้เราจะหาอาหารเข้าสู่จิตใจของเราสวนอาหารร่างกายในยการยังว่าเนี่ยโทรศัพท์วิทยุเป็นอาหารของร่างกายแต่บัด น, นี้เราจะเอาอาหารเข้าสู่จิตใจเนี่ยเราต้องปิดสิ่งเหล่านั้นให้หมดไม่ให้รับรู้ในสิ่งเหล่านั้นาจากนั้นเมื่อปิดเสียงสงบพอสมควรอ ย, อ, ย อ, ยอยู่ในห้องพระ จากนั้นก็ไหว้พระอารหังซัมมาสวากาโตสุปฏิปัโนโาจากนั้นก็เราสวดอันไหนได้พุทธังทำมังสังขังเราจะสวดอันไหนกันอะไก็ได้หละยอดพระกันปะไตปิโดกอะไรที่เราสวดจบเรียบร้อยแล้วแต่ข้อสําคัญอย่าลืมอันสุดท้ายว่าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สกานาญาิญาติมิตรสหารสหายเจ้ากรรมในเวท บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําด้วยกายด้วยวาจานด้วยใจที่เป็นกุศลขอข้าพเจ้าขอแผ่อุทิศนกุศลถึงดวงวิญญาณเหล่านั้นขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรดวงวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาไง ยิ่งเป็นคู่อริคู่ศัตรูเรายิ่งแผ่เมตตาให้เขาอย่าให้เขาเบียดเบียนเราเราจะได้เบียดเบียนเขาให้เขาเป็นสัมมาทิฏฐิเราก็ให้เป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันกันกบเขาอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ใครค้าวัดพิจารณาน้อมจิตใจตัวตนเองให้อยู่ในเหตุผลนะคือไม่ให้โมโหโทโซโกรธาไม่ให้ผูกพยาบาทอาฆาตใครๆทั้งหมดว่างั้นถในจั ก, กรวาลมันผูกไปกระเท่านั้นละ่ะมันไม่เกิดประโยชน์ ชาติที่เราเอาชนะเขาชาติหน้าเขาเอาชนะเราเมื่อเขาพกเวียนอยู่อย่างนั้นเวีจะระงับได้โดยการไม่จองเวีนเวีนจะระงับไม่ได้เพราะการจองเวีนถ้าว่ามีการจองเวีนกันอยู่เวีจะไม่ระงับเพราะนั้นเราแผ่เมตตาจุดนี้ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วไรโลกธาตุให้มีความสุขต้องเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา อันนคือแผ่เมตตาเมื่อจิตใจของเราอ่อนน้อมไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วไม่ผูกพยาบาทอาฆาตใครดวงวิญญาณไหนทั้งหมดแล้วจากนั้นเราก็นั่งขัดสมาธิ เ, เพอนั่งขัดสมาธิเสร็จแล้วถ้าเรานั่งขัดสมาธิไม่ได้เรานั่งเก้าอี้ก็ได้นะ เ, เรานั่งอยู่ในมุมใดก็ได้แต่ว่าข้อสําคัญอย่านอนนะถ้านอนแล้วมันหลับเพราะงั้นถ้าหันนั่งให้นั่งจากนั้นก็ประนมือขึ้นแล้ววาง อ, อก ไหว้ครูซะก่อนคือไหว้ พ, Ober, ör, พ, ทท field, ör, วพุทธโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศเป็นผู้สอนธรรมให้พวกเรารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คือสาวกที่น Hungary ําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่ ให้พวกเราเข้าใจจากนั้นพวกเราเมื่อไหว้ครูพุโทโธธ ร, รมโมสังโฆแล้วเอามือลงจากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถหรือว่าเราจะบริกรรมเป็นเบื้องต้นซะก่อนว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขบริกรรมชักช่วงระยะหนึ่งจากนั้นกำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถแต่ถ้าว่าพวกเราหายใจเข้าหายใจออกยังไม่รู้จัก ว่ามันหายใจเข้ามันหายใจออกอยังไงมันไม่รู้เพราะเราไม่เคยกําหนดนะเราก็หายใจแรงแรงสัก2อาครั้งดูจะฝืดฟัดฝืดฟาดจากนั้นค่อยผ่อนลงผ่อนลงพอรู้แล้วอะลมกระทบที่ไหนที่ปลายจมูกก็เอาสติจับที่ตรงนั้นจากนั้นก็ บ, บรรยายมาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนะนี่แหละคือกรรมฐานพระพุตตเจ้าแต่นี้เพื่อเราทํามาแล้วเราได้ประโยชน์อะไร ในการภาวนาจุดนี้อันนี้นเป็นประโยชน์มหาศาลให้ท้าวเราต่อไปในภายภาคหน้าอุปสรรคนานับประ ก, การจะต้องเดินมาถึงพวกเราถึงขนาดนี้ก็ถึงโลกกระท8แปดมกระแทกแดกดันเรามีลาบเสื่อมลาบพียดเสื่อมยดนินทาจระเริญสุขทุกข์ไม่มากก่าน้อยแต่ละท่านเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นเข้ามาถ้าว่าพวกเราจิตใจเป็นสมาธิเหมือนเป็นรัว้วหรือกำแพง รอบๆจิตใจของเราถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้รู้หลบเข้ามาหาจุดที่เป็นสมาธิเนี่ยกำหนดดูใจของตนเองเอโลกทั้งโลกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่จะทํำยังไงทําใจของตนเองถึงทำใจได้นะทวนที่ฝึกสมาธิ ด, ดีแล้วทําใจได้อยากจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นจนเกินไปโลกมันเป็นอยู่เนเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแกศชลา พวกเราก็รู้จักวิธีการปฏิบัติกับตนเองวิธีการปฏิบัติภาวนากับตนเองจิตใจจะไม่ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมถาาว่าพวกเรามีศีลธรรมเข้าสู่จิตใจแต่ว่าพวกเราไม่เคยฝึกขัดจิตตภาวนาเลยเมื่อเท่าแก่ชรามาไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่ง เ, เห็นลูกหลานก็ไปทํางานทําการไม่มีใครอยู่ด้วยกันนะั้ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมโดยมากพวกเราจะเห็นพวกสูงอายุ นิสัยซึมเศร้าอนะดังพ้อยนั้นพวกเราอย่าได้มีให้ฝึกไว้แตนต้นเนินให้ฝึกไว้เรื่องจิตภาวนาให้ฝึกเอาไว้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นหลักแต่เมื่อเราจิตใจของเราเป็นหลักแล้วจิตใจของเรารู้เท่ารู้ทันรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้กลมหรือผลของกลมแล้วพวกเราจิตใจจะหนักแน่นเออเราเกิดมาด้วยกลมของเราด้วยบุญของเรา เราก็จะไปเมื่อไปเราก็ไปคนเดียวเรามาเกิดเราก็มาคนเดียวเราตายไปก็ตายไปคนเดียวเราไม่ได้เอาใครไปด้วยสักคนแม้แต่คนเดียวเมื่อตายเมื่อจะไปเราเป็นยังไง เ, เราก็ไม่ได้เอาไปด้วยสักอย่างทรัพ ส, สมบัติเงินคำเตือกสวนไรนาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสามีภรรยาใครๆก็ตามเราไม่ได้แบกไปด้วยสักอย่างเราทิ้งทั้งหมดกระดูกของเราแท้ خر, เ pasando, <logical S 2> ๆเราก็ยังทิง้งเราจะไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับอะไรมากมายนักหนา เอออันนี้คือเป็นภาษาใจของตนเองนะให้คิดเป็นภาษาใจตัวเองคิดไว้อยู่อย่างนี้จริงไหมให้ถามมาจริงไหมถามตัวตัวเองเอ่อเอาไปด้วยได้ไหมมันไปไม่ได้จริงๆนี่แหละทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ปล่อยวางที่ใจแหมไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นให้สํานึกไว้แต่อย่าไปพูดข้างนอกกับพูดข้างนอกไปได้แหมมันเสียหายอันนี้เป็นภาษาใจของตนเองเนี่ยเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ การปฏิบัติธรรมมี่ทำในจิตใจแล้วไปอยู่นสถานที่ใดนี่แต่ความสงบพร้มเย็นเป็นสุขถ้ามีศีลแล้วพวกเราอยู่ด้วยกันรู้จักใจเขารู้จักใจเราเือย่างศีลห้าประการอย่างที่หลวงพ่อได้พูดการฆ่าการการไม่ฆ่ากันเป็นยังไงอทินนาการขโมยกันไม่ขโมยกันเป็นยังไงสามีภรรยาลูกล้านข้อไข่ถ้าว่าไม่มีศีลแล้วพวกเราว่าจะพุ่นวายขนาดไหน ถ้ามีแต่การโกหกตอแหลหลอกลวงกันจะเป็นยังไงถ้าคนดื่มโซดาเมาเหล้าทั่วบ้านทั่วเมืองเอารถชนกันเล่นเป็นยังไงพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันนะว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ายอย่างไรตลอดถึงทานะคือการทําบุญทําทานมีประโยชน์อย่างไรในในการทําทานถ้าพวกเรามีจิตใจกว้างขวางมีจิตใจเฉลื่อเผื่อแผ่ไปในสถานที่ใดมีแต่วงศาคณาญาติเข้ามาห้อมล้อม แต่การทำบุญทำทานทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เราไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ทำบุญทำทานทั้งหมดให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ให้รู้จักหาก็คือหมั่นขยันในการหาแต่หาแล้วไม่รู้จักเก็บหมันขยันในการหามาแล้วเก็บไม่รู้จักเก็บทิ้งอุดรช่วยแชททิ้งไม่เป็นที่เป็นทางสมบัติของเราที่หามาโดยความยากลําบากก็หายได้ง่ายเหมือนกันแล้จากนั้นก็ไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักประมาณในการใช้เงิน ได้มาแล้วก็ใช้อลอยช่ยแชกซื้อสิ่งซื้อของซื้ออะไรขวางหน้าซื้อไปหมดอันนั้นก็สมบัติไม่อยู่กับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการกับตนเองเควรจะพิจารณาให้ไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนไว้ในหลายรูปแบบหลายแนวทางนะคล้ายๆเหมือนสมบัติห้างทรรพสินค้านะ เมื่อสูญเจ้าเป็นฆราวาสญาติโยมสูเจ้าตรงปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ถ้าเป็นขั้นการทางปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าตรงปฏิบัติอย่างนี้พระพระทุทธเจ้าสอนเป็นขั้นๆ ต, นตอนๆขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นฆราวาสพระพระทุทธเจ้าว่สอนอุทานสัมปทาถึงพร้อมหรือความหมั่นความขยันนะ อ, อย่าขี้เกียจขี้คล้านเมื่อเป็นฆราวาสแสวงหาทรัพย์จะคองจะงอมืองอเท้า ให้อุทานะสาสัมปทามีความหมัน่นความขยันรักษาสัมปทาเมื่อพวกเราหายศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ใดแล้วหาเงินหาคำทรัพย์สมบัติได้แล้วให้รักษาเอาไวออ้อย่าให้มันอันตรายหายไปอย่าให้มันเสื่อมไปโดยไม่ได้รักษาให้รักษาเอาไว้รักษาสัมปทาการยานามิตรตาให้คบเพื่อนที่ดีงามการครบค้าสมาคมกับ เพื่อนหญิงเพื่อนชายผู้ใหญ่ผู้น้อยต้องดูซะก่อนว่าเขามีคุณภาพเขามีคุณธรรมในจิตในใจไหม อ, อ, อันนี้ต้องเลือกซะก่อนถ้าเราครบคนชั่วช้าเสียหายจะทำให้เราเสียหายอนาคตของเรามืดบอดไปได้ไง่ายๆเหมือนกัน อ, อ, อย่างคบคนเดวคนช่วดช้าคนคดคนโกงคนพ่นคนจี้อย่างเนี้ยพวกเราไปคบค้าสมาคมกับเขาคนคบคนกินเหล้าเมายาอย่างเนี้ย เน่ยเพราะพระพุทธเจ้าคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละถ้าคบเราคบค้าสมาคมไปนานๆเราจะเสียคนได้ง่ายเพราะนั้นการคบค้าสมาคมก็เราก็ควรคิดอีกเหมือนกันเน่ยข้อที่ 4, สี่สมหมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงอย่าไปป้นไปคดไปโกงขอมาเลี้ยงชีวิตเราแต่เราไปคดไปโกงไปป้นไปเบียดไปบางขอมาเลี้ยงชีวิตของเราชีวิตของเราจะไม่ร่มเย็นเป็นสุขจะมี สิ่งที่ตามมามากมายอดัองที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าอัคตังทุกตังเสยโยปัชชาตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเาผาผ่านเมื่อภายหลังกรรมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังถ้าเมื่อเราทําไปแล้วกรรมชั่วนั้จะตามติดตามเรา เ, เมื่อเราทําเราก็ไม่ได้คิดแต่เมื่อเราทําไปแล้ว กำชั่วตามมานเราก็เสียอกเสียใจเพราะนั้นก่อนที่จะทํากลัมสึ่งไหนเราต้องคิดดูให้ดีและกัการที่เป็นข้าราชการหรือว่าการทํางานรัฐวิสาหกิจอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ทางานอยู่ณสถานที่แห่งนี้การบริหารจัดการกับตนเองหลวงพ่อว่าเงินเดือนของเราเราได้เดือนละเท่าไหร่อันนี้พวกเราควรจะคิดเมื่อได้แล้วเดือนหนึ่งเราจะใช้เท่าไหร่ถ้าเรารู้จักในการใช้ ในการบริหารจัดการกับตนเองเศรษฐกิจจะพอเพียงแต่ถ้าว่าพวกเราใช้อิรุ่ยชุวยแชกใช้ไม่รู้จักประมาณในการใช้เศรษฐกิจไม่พอเพียงแน่เพราะเหตุไรเพราะเราได้มาแล้วเราไม่รู้จักในการใช้เรามองแต่คนอื่นที่เขาเป็นไอเสียที่เขามีเงินคําทรัพย์สมบัติเราก็มองเขาเในหลักที่โบราณเขาว่ามองโลกให้มองต่ํามองทําให้มองสูงมองโลกให้มองต่ำนั่นคืออะไรให้มองคนที่ด้อยกว่าเรา เขาอยู่อย่างไรเราในาฐานะนี้เราจะอยู่อย่างไรออมองทําให้มองสูงเราจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นสูงขึ้นมีคุณธรรมอย่างท่านเหล่านั้นนี่แหละให้มองทําพยายามตระกีดตรกายแต่ถ้ามองโลกให้มองสูงแล้วเราไปเห็นเขาล่ํารวยเราก็ทำตามเขาทั้งที่สมบัติของเราไม่มี เ, เรามีเงินเดือนอย่างนี้ค่าใช้จ่ายของเราแต่ละวันคืออะไรวันหนึ่งเราได้เงินเดือนเดือนละ 1,000 บาทยกตัวอย่าง วันละหนึ่งพันบาทอย่างนี้วันหนึ่งเราใช้อะไรไปบ้างค่าน้ํามันรถเท่าไหร่ค่าไฟฟ้าเท่าไหร่ค่าโทรศัพท์เท่าไหร่ค่าอาหารของลูกเท่าไหร่ของเมียเท่าไหร่ของตัวเองเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้มันต้องคิดให้ถี่ถ้วนแล้วรายได้ของเราเท่าไหร่เดี๋ยวเดือพันบาทอย่างนี้เราต้องคิดให้ดีถ้าเมื่อเราคิดดีแล้วเนี่ยเราก็วางกรอบในการใช้เงินก้อนนั้นถ้าพวกเราคิดดีอย่างนี้แล้วหลวงพ่อว่า การเป็นอยู่ของพวกเราจะราบลื่นอย่างน้อยกใ้มีเก็บเงินเหลือไว้ว่าเมื่อต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะใช้อย่างไงเวลาเราจะใช้อย่างไรในเงินเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราจาเป็นจะต้องได้ใช้นะไม่มีใครรับประกันได้ว่าพวกเราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยในอนาคตบางทีเราออกจากราชการไปแล้วออกจากงานไปแล้วเรามีเงินเหลือไหมที่จะเก็บไว้ในส่วนนั้น อันนี้คือการวางแผนของชีวิตของพวกเราไม่มีใครที่จะวางแผนชีวิตให้แก่พวกเรายิ่งกว่าตัวของพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดสําหรับอุบาสกอุบาสิกาผู้ครองชีพนะสำหรับฝ่ายเป็นพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าท่านกับสอนอีกแบบหนึ่งท่านสอนให้ปล่อยท่าสอนให้วางท่านพอนอภิชตาเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดดถ้าว่ามีพระสั้นโดดพระมักน้อยแล้วน่าเคารพน่าเลื่อมใส แต่ถ้าว่าพระมากๆโลภโลเลเมีอะไรหรูาราโออาไปหมดคนทั้งหลายก็ตัดห น, นิ้ได้เพราะนั้นพระต้องอีกมิติหนึ่งในการเป็นอยู่อยู่อย่างพระ อ, อ, อ, อ, อยู่ด้วยความสันโดษอยู่ด้วยความมักน้อยอันนั้นคือส่วนหนึ่งคือพระชีวิตของพระสําหรับชีวิตของครวญญาโยมถึงจะมีมากมายเป็นร้อยเป็นพันล้านแต่ไม่ได้โลภได้ด้วยความสุจริตได้โดยการทํางานของเรา อันนั้นก็ท่านก็ไม่จัดว่าเป็นความโลภนะใครว่าเป็นได้ด้วยสติด้วยได้ด้วยปัญญาของเราแต่ท่านเราไปเบียดบงังไปคดไปโกงไปป้นเขาถึงจะได้มาสีห้าบาทก็นั่นแหละได้มาด้วยความโลภเพราะว่าได้มาด้วยความไม่สุจริตได้มาด้วยความเบียดความบางังคนอื่นเขานี่แหละหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สอนเอาไว้เป็นแนวทางอย่างนี้วันนี้หลวงพ่อได้มาพบกับ โรงงานยาสูบของพวกเราก็หลวงพอ่อเดชแนวในทางปฏิบัติในทางหลักของพระพุทธศาสนาขอให้ศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนําไปคิดนําไปพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวายาจใจของพวกเราความสงบพร่มเย็นเป็นถูกก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราเป็นอันดับแรกต่อไปกับผู้ที่เกี่ยวข้องสามีภรรยาลูกเตา่า พระองศาคณาญาตประเทศชาติบ้านเมืองต่อโลกทางว่าพวกเราขาดศีลธรรมต่างคนต่างขาดศีลธรรมแล้วโลกทั้งโลกตัวเองน่จะเดือดร้อนเป็นอันดับแรกเหมือนกันต่อไปกับโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนพ่นวายไปหมดการพูดการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาโดยอํานาจคุณภาษีลัตนาตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองศรัทธาญาติโยมทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายจงประสบ ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิน